บอกไม่ Cold, มม ค, ไมไค่อยถูกค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกว่าอย่างวันนี้พอมีอะไรเข้ามามันก็มันก็ดับไปอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เอามาใครขครัวอะไรมากก็เห็นเกิดจะดับพอแล้วเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอแล้วมันนิ่งไปไหมคะไม่นิ่งไม่นิ่งใช่ไหมคะเป็นปกติอ๋อค่ะเใครจะคุยเชิญยกมือนะเชิญเขาโอกาสครับหลวงพ่อคือ ผมดูดูจิตดูกายอยู่ครับอยากให้หลวงพ่อใช้ได้แล้วใจค่อยตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันโล่งๆสึกไหมร่างกายเป็นของถูกดูอยู่ห่างๆอะไรๆมันออกห่างจากจิตไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆใช้ได้ก็ตอนนี้ต้องแก้ไขพัฒนาแก้แก้ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยเห็นไหมทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นครับนั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละดูไปงั้นถูกต้องแล้วอ๋อ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 เราภาวนาจนชำนาญตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกจิตเรานิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นกับๆถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมเอาไว้อีกมันเสื่อมอ ย, อย่างผมนี่ไม่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยครับหลวงพ่อมันต้องเพิ่มเติมไม่ไ ม, มนะไม่ต้องเพิ่มนะ เ, เพิ่มมากกว่านี้จะแย่และเพิ่มมากกว่านี้จะติดเพ่งละอตอนนี้รเริ่มไปประคองใจไว้ด้วยซ้ำไป ร, รู้สึกไหมไปกดตัวเองไว้นิดหนึ่ง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 แต่มันจะมีภาวะบางครั้งที่เกิดความรู้สึกกลัวครับแต่ว่าจิตก็พยายามต่อสู้อยู่ครับความอะไรนะเกิดความอะไรนะความกลัวครับกลัวกลัวแต่จิตก็พยายามต่อสู้อยู่แต่เหมบางครั้งมันก็ยังยังยังไม่นิ่งพอที่จะที่จะแยกมันออกว่านี่มันคือสภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายครับเราฝึกมามันยังไม่ถึงจุดที่จะสู้ตรงนี้นะตรงที่จิตไม่ยึดถือกายต้องเป็นพระนาคาแล้ว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 มันบอกไม่ถูกคือแบบคือแบบว่าเจอเจอสภาวะนั้นเนี่ยชาตินี้คุ้มมากคุ้มแล้วล่ะคือตายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วหลังจากนั้นนี่ก็หลังจากนั้น<อ>มันก็หายไปฮะมันมันมันหายไปแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้ไปไปค้นคว้าอะไรกับมันนักหนาแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสองวันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังไงดีวะ มันก็แบบคือแบบตัวมันหูห่วยังไงก็ไม่ทราบนะฮะคือจะแต่ก่อนเนี่ยเราเราค่อนข้างจะโอเคเราเกลียดทุกเรารักสุขอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสุกสุขทุกๆมันก็มันแบนคือมันสภพพมันไม่มันไม่มีค่าทั้งคู่นะฮะเราข่าวนี้เนี่ยตัวมันก็เรเห็นในโลกภพธาตุทั้งโลกก็แบนใช่ครับเราคือตัวมันคือตัวมันเหมือนกับ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 ไม่มีอะไรเวลามองเนียรู้สึกไหมยังอยู่ไหมลองมองไปสิผู้คนเนี่ยแบนแต๊ะแต่ไปหมดเลยดีแล้ว <Okay. S 2> ภาวนานะเราก็รู้ไปเรื่อยตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส น, นะเราก็ดูของเราไปเรืนะ่อยล้วคือทีนี้เนี่ยผมไปเปิดตามตําราดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ ว, วะตำราไม่มีหรอก <c oughs> ตํารามันจดไปไม่ถึงนะแล้วนะแล้วมันโอ้โหมันอย่าไปอยากบัญญัติสิว่ามันเป็นอะไร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 มีแต่สภาวะล้วนๆเลยดูเอานะดูเอาแต่หลวงพ่อกล้าท้าเลยนะใคยในห้าปีนี้นะจะต้องมีพระอริยะเกิดขึ้นจำนวนมากเลย <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกไม่ใช่ว่ามียานวิเศษนะพระพุทธเจ้า บ, บอกไว้ถ้าตรับใดยังมีการเจริญสติอยู่จเจริญสติปัฏฐานนะคือมีสติรู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระหรัน ไม่ได้พระหรหันต์ก็ได้ผ้านาคาไม่ได้ก็รองรองล ง, ง, งมาได้โสดาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หลวงพ่อพยากรนะแต่พวกเราเองอ่ะได้ลงมือเจริญสติแล้วพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราทําสติปัฏฐานถูกต้องเนะี่จ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีใชต้องมีผลบ้างนี่หลวงพ่อเลยสอนมาสองปีแล้วก็เหลืออีกหปีสิ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่ออวดอุตริแสดงปาฏิหารพยากร มรรคผลนิพพานของใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้พยากรนะนะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ฉะน้นพวกเรามีหน้าที่อันเดียวแหละทําสติปัฏฐานสติปัฏฐานกับสติไม่เหมือนกันสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจสติทั่วๆไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างอยากใส่บาตรอยากทําบุญอะไรเงี้ยนะอยากสวดมนต์ไหว้พระนะสวดมนต์ไหว้พระไปจิตใจมีความเป็นกุศลขึ้นมามันก็มีสติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดา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 เราจะมีความสุขที่สุดหัดเจริญสติเบื้องต้นพอเรารู้สึกตัวเป็นมันก็เริ่มมีความสุขละมีความสุขชวยแผ่วๆขึ้นมาเองรู้สึกไหมนะในห้องนี้ทําได้ทั้งเกือบครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งห้อ ง, งที่ว่าอยู่ยๆความสุขก็ผุดขึ้นมาเองนะทําได้เยอะแยะเลยผลพ่อไม่ได้นับจริงๆนะนับไม่ทันนะเยอะเหลือเกินะต่อไปพอเรามีสติบ่อยๆเราเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นใจตั้งมั่นขึ้นใจตั้งมั่นก็มีความสุข ใจเห็นความจริงมีปัญญาขึ้นมา ก, ก็มีความสุขใจหลุดพ้นก็มีความสุขนะอบคิดมากไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนะไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบรรลุอะไรหรอกกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเคยมากราบหลวงพ่อเมื่อกลางปี4ี่หลังจากนั้นโยมก็ไปฝึกเจริญสติต่อตามแนวหลวงพ่อเทียนทุกวันนี้เนี่ยโยมใช้กั น, นเผลอไปแล้ว คุณรู้สึกไหมกลบตรึงความรู้สึกเอาไว้นิดหนึง่งปล่อยซะกลับใดที่ยังตรึงอยู่นี่ยอริยมรรคจะไม่ยอมเกิดขึ้นในขณะนั้นนะต้องปล่อยเลยปล่อยแล้วตามรู้ตามดูไปเรืออีกนิดเดียวเองให้รู้ไปเรื่อยๆนะแต่อย่าคิดมากนะคิดมากแล้วก็เส้นทางนี้จะยืดได้นะถ้าไม่คิดมากแนละเส้นทางนี้สั้นนิดเดียวเลยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ที่ปลายจมูกนี่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 ทุกวันนี้โยมฝึกเจริญสติโดยการใช้การเคลื่อนไหวหรือว่า อ, อิริยาบถย่อยเป็นวิหารธรรมเวลาเผลอไปก็รู้ว่าเผลอไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหว<อ>ก็ทำอยู่อย่างนี้ทุกวัน<อ>ตั้งแต่มันก็จะมีอยู่สองอย่างอะค่ะหลวงพ่อก็คือไม่เผลอก็มันรู้สึกหรือบางทีก็รู้ว่าไปเพง่ง<อ>ทีนี้โยมโยมเกิดสภาวะอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยความคิดมันก็ มันก็มีอยู่ทั้งวันนะคะคือมันเหมือนกับรู้ความคิดแต่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นทันตอนเขาจะเกิดมันเหมือนกับเป็นเลนสองเลนบางทีรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวแต่มันก็เห็นมันก็รู้ความคิดมันก็คลอเคลียกันไปจะถามหลวงพ่อว่าฝึกอยู่แค่เนี้ยถ้าเราคิดว่าเราทำหน้าที่อยู่แค่เนี้ยเผลอก็กลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวแค่เนี้ยตลอดอย่าจงใจรู้ถ้าเผลอแล้วมันมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเองนั้นก็ถูกเป๊ะเลย ้ันถ้าจงใจกลับมารู้มันจะแน่นแน่นขึ้นมาแน่นไหมเวลากลับมารู้หลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเพ่งมากไปก็จะไปเพ่งไหมเวลาเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเผลอแล้วรู้ว่าเผลอแล้วไม่ชอบเผลอนะไปเพ่งไปดึงเอาไว้นี่ผิดแล้วสุดตรงไปอีกข้างหนึ่งเราภาวนาไม่ใช่เอาความรู้สึกตัวจาไว้นะเราไม่ได้ภาวนาเอาความรู้สึกตัว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 ก, ก็คือให้จับหลักง่ายๆว่าเผลอก็เพรานั้นก็คือ ร, รู้สึกตัวละแล้วก็รอดูว่ามันจะเผลอใหม่มื่อไหร่อ ย, ายอาา่ารอนะถ้ารอเนี้ยโลภะเกิดแล้วนะให้เผลอไปเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เล่นๆไปเรื่อยๆนี้พี่คิดแล้วว่าที่พระโสดาดเฉียดเต็มทีแล้วนะรู้สึกไปแต่อย่าคาดหวังนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางมายากลแท้ๆเลย มันเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาถ้าคุณพยายามวิ่งไล่จับเมื่อไหร่นะมันยิ่วิ่งหนีไปเราต้องหยุดรู้อย่างใจเย็นๆมันจะมาหมอบอยู่ต่อหน้าเรานี่เองอะไรนะ อ, อ๋ออยู่บ้านไม่จับนะเออดีดีใช้ได้อยู่ที่นี่มกักจะเออเรื่อผิดความเป็นจริงเพราะกลัวหลวงพ่อส่วนใหญ่นะอา้าวใครเชิญหมอโดนละชา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 แล้ตัวนี้แข็งเกินไปตัวนี้แข็งเกินไปมันจะแสดงไตรลักษณ์ไม่ออกมันจะนิ่งๆรู้สึกไหมอันอื่นแสดงไตรลักษณ์แต่ตัวนี้จะไม่แสดงใช่เช้ค่ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เท่ากับเรายัางสังวลรักษาสิ่งบางสิ่งเอาไวนะ้เช่นก็คือตัวผู้รู้นี่องอย่าไปสังวลรักษามันไว้มันเกิดขึ้นมาเพราะเราเพ่งแรงสังเกตไหมตัวผู้รู้ตอนเนี้หายเป็นผู้หลงล้เป็นผู้คิดนึกออกไหมนี่ดูไปอย่างนี้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 หลวงพ่อพุดไปก่อนนั่นอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วหลวงพ่อศึกษากับหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วก็กลับมาหาหลวงพ่อพุธนะผ่านโคราชจะกลับกรุงเทพนทพพทั่นแหละมาแวยหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็ถามบอกว่านักปฏิบัติท่านเรียกนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรกลับเรียนท่านบอกว่าหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านก็เลยบอกว่า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 นะแต่โยมลำคาญมากเลยฮะที่เขาให้ให้รู้ว่าลำคาญ <c oughs> จิตไม่เป็นกลางนะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนะ <c oughs> ต้องฝึกนานนะกว่าตัวนี้จะหาย <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดีตัวพิเศษที่ใครๆเขาก็รักและหวงแหนกันอย่างเมื่อคืนวันที่5้าเนี่ยโยมเกิดแรงมากกําหนดทิศทางแทบไม่ถูกให้รู้ว่ากําลังเซ่อเซ่ออยู่ <c oughs> ใช่รู้แค่นั้นพอละ แรงมากเลยเจ้าแม่แล้วก็วให้รู้ว่าอยากกําหนดให้ถูกอยากทําให้ถูกนะให้รู้ทันความอยากนี้ให้รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันความอยากที่เกิดตามหลังมาเจราคะกพระผู้คุณนมาตการหลวงพ่อเจ้าค่ะอ้าวโกบิ ก, กบิกยกมือไว้อ้าวอาเดี๋ยวเดยไปทางนี้ก่อนหมอโดนชาลืมหมอโดรชะซะและ้วพอนานมากหลวงพ่อก็ลืมถือว่าเป็นโมคะนะ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 แรงดิ้นยังไม่หมดหรอกอยังมีแรงดิน้นดูทุกไปอีกช่วงนี้ต้องดูไปอย่างนี้ใช่ไหมคะยังดูไม่พอแล้วอย่างนี้ช่วงนี้คือกระหนุ่รู้สึกว่ามันภาวนาแบบพยายามจะหนีด้วยกันบางทีก็แอบไปหลบทําสมถะทำํำเมตตาภาวนาอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไงทำเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปอยู่ที่นั่นน ะ, ะให้มารู้กายให้มารู้จิตของเราต่ อ, อถ้าเราหนีการรับรู้เนี่ยเราเจะเจริญปัญญาไม่ได้ก็คือเอาเป็นที่พักไว้ชั่วคราวใช่เป็นที่พักเวลาเหนื่อยมากๆนะก็กลับไปทําสมถะ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 คือจิตของหมอนะเป็นจิตซึ่งมีสมาธิเยอะ mm hmm. ชาตินี้อาจจะไม่ได้ฝึกนะแต่ชาติก่อนเนี่ยฝึกมาเยอะมาก mm hmm. สมาธิแรง mm hmm. เพราะฉะนั้นมุมที่จะสู้จนกระทั่งใจแห้งผากนะต้องเห็นทุกข์เยอะๆต้องสู้ไปนละ้ <c oughs> จะเห็นทุกข์แล้วมันจะรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีที่ยั่งเลยแต่หมอยังมีที่ยัง่งรู้สึกไหม mm hmm. หมอมีสมถะเป็นที่ยัง่ง <c oughs> ยังหนีได้อยู่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 มันจะไม่ใช่ว่าพาเอเผลอๆแล้วมันปุดความเป็นเราขึ้นมาได้อีกอย่างเรารู้สึกว่าเป็นเราเพราะเราไปรวบขึ้นมาอย่างเงี้ยความจริงนะพอใจเราคิดขึ้นมาใจเราคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมานะความเป็นเรานะั้นไปเป็นเงาที่ซ้อนขึ้นมามันปรุงขึ้นมาให้เรารู้ทันเรื่อยๆฝึกได้ดีนะของคุณอดทนนะทนนิดนึงใช้ได้เก่งมากด้วยซ้ําไป อาโโบิกอิจฉาไหมเขาภาวนาดีไม่อิจฉาเลยครับแล้วไม่อิจฉาจริงๆนะไม่อิจฉาจริงๆครับเผมรู้สึกยินดีด้วยกับคนที่ภาวนาดีทุกคนโอ้นี่บิกน่ารักก็ตรงนี้แหละมันถึงชื่อบิกใจมันใหญ่ครับแล้วันนี้ก็ยังเก๊กอยู่นิดๆครับเอมีเก๊กแต่ว่าพยายามดูๆเลยว่ามันเก๊กไหมแต่เสียงนี่หล่ออยู่แล้วจริงๆครับหลวงพ่อ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 ถ้ามันเหมือนกันเราจะไปเห็นไตรลักษณ์ได้ยังไงก็มันแอบลุ้นให้มันแม่ใจจริงไม่เป็นกลางมันแอบลุ้นอยากดีอยากดีอยากดีใจไม่เป็นกลางใจไม่เป็นกลางแล้วก็เลยปฏิเสธไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่แสดงความไม่เที่ยงไม่อยากได้ลุ้นอยากให้เที่ยงพอเผลอไปแอบลุ้นที่ไรก็นึกถึงคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยครับเฮ้ยนี่เรา ทนทนทำไปเถอะมันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านก็ช่างมันอย่างเงี้ยครที่ทนทนทําเนี่ยนะก็เพื่อเราจะได้ดีนั่นแหละอื็นไหมขนาดทนทน ท, นทำนะก็ทําเพื่อเสริมอัตราตัวตนอยู่ดีอะรู้สึกไหมตอนนี้เพิ่งรู้สึกครับที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกระแทกคือรู้และว่าอที่เป็ น, <อ>นเพลงกระบี่ของหลวงพ่อเกลี้ยวกราดดูดันเห็นไหมบิ๊กเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพร้อมจะรับอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับ เนี่ยเรารู้กัน2คนนะว่าถูกแทงคอหอยไปแล้วนะอา้าวบิวก็ไม่ได้เรื่องเลยครับฮะใครพีคเหรอผมผมไม่ได้เรื่องเลยครับหลวงพ่อช่วยนวดหน่อยครับเออเจ้าชู้แบบหมอนี้ไม่เจ้าชูครับางานเยอะงานเยอะครับอ่ดีหน้าตางานเยอะก็ดีแล้วดีกว่าเจ้าชู้นะครับผมอย่าเจ้าชู้นะครับดูไปเอา้าวทุกตา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 จิตรู้สึกไหมจิตปลอดโปร่งโล่งเบาจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตมันตกใจที่จะได้คุยกับลหลวงพ่อค่ะแล้วมันเลยเจ้าเว้ยให้รู้ทันนะค่ ะ, อะเอาทุกตาขอคําแนะนําค่ะดีขึ้นละให้รู้ไปนะเอากรบเอาทั้งนี้คางนี้ก่อนก็ได้เอาคุณเสื้อเขีย ว, เ, ยวเอาเอาสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะกบส่งก่อนแล้วกันนะคะหลวงพ่อคะตอนนี้มันภาวนาเหมือนมัน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 ทำไมไม่ยอมดูเป็นไตรลักษ์เห็นไหมนึกออกไหมหไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะชอบโทษขาด น, นน้นขาดอันนี้ต้องไปทําันน้นเพิ่มต้องไปทําอันนี้เพิ่มเราไม่ยอมดูว่านี่แหละคือไตรลักษ์ใช่เพราะว่ากดรู้สึกว่าทําสมาะิยังไงไงมันก็ยังไม่เข้าไม่เข้าเพราะทาด้วยโลภะเข้าใจแล้วค่ ะ, ะหลวงพ่อเอามาเสื้อเขียวคุณเสื้อเขียวคุณโตรู้สึกไหมจิตมีแรงสว่างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะใจเรายอมรับสภาวะ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 สิ่งทั้งหลายในกายในใจนี้มันช่วคราวทั้งหมดถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราถึงจะทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ทุกข์หรอกให้ดูไปเรื่อยๆดีนะที่ฝึกอยู่เจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้โยมภาวนาเก่งเยอะแยะเลยนะอ่ะคนนี้ยกมืออ่ะคนนู้นคนนู้ น, นเกิดก็ได้พิงเสาอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวมาข้างหน้านี้นะเดี๋ยวคุณกล่าวนามสกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะพบหลวงพ่อครั้งแรกที่สาลาลุงชินตอนปี4ี่เกก็ ไปครั้งแรกๆก็ฟังไม่เข้าใจเลยแต่พอฟังไปยกยกมใหม่สูงนิดนึงพอฟังไปได้สักสองสมเดือนนะเจ้าคะ่ะส3าครั้งก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาจนได้ไปภาวนาก็รู้สึกตัวตามที่หลวงพ่อสอนจนมาอยู่ครั้งหนึ่งเคยนั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วเหน็บมันช้า ม, มากเราก็ตั้งใจว่าจะไม่ออกจนกว่าเราจะตั้งใจไว้พอหลังจากนั้นเราออกจากสมาธิ <ยก S 2> เราไม่เราไม่รู้สึกตัวเลยเจ้าค่ะ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 เห็นไหฟังธรร ม, มนะน่าจะสวยขึ้นไม่ใช่เรื่องโกหกนะห้ามพระดูนะห้ามพระบ่งกับสวัสดีพระอาจารย์ค่ะสิงเกียร์อยู่ย <laughs> ีก็อยากให้พระอาจารย์ตรวจดูสภาวะธรรมขณะนี้ปล่อยนะปล่อยให้ใจทํางานอย่างอิสระอย่าไปคุมอย่าไปกดมันถ้ากดแล้วมันจะซึมๆมไปนิดนึงรู้สึกไหมมันซึมไปนิดหน่อย มัน ม, มัวมัวนิดนึงซืมสนะให้รู้แปว่ามันมัวรู้ว่ามันสืมมันมีโมหะเราก็รู้ไปรู้อย่างเป็นกลางแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะถามค่ะคือไม่ทราบจิตเป็นอะไรน้องสาวไปปฏิบัติธรรมที่วัดสาวันเมื่อวานเขาก็ยังไม่กลับแต่เราเดินผ่านในบ้านเนี่ยเราเห็นเขาแบบเหมือนนั่งคอตกอยู่มันมีทุกข์มีอะไรนั่งคอตกอยู่เหี้ยจิต เ, เกี่ยวข้องอะไรกันคะเขาคงคิดถึงบ้านเลยอ๋อ หลวงพ่อเห็นบ่อยๆไปเดี๋ยวคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาแบมบบันอยากมาวัดมีหลายครั้งแล้ว่ค่ะที่คนในบ้านไม่อยู่แต่เราจะเห็นเขากําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออีกสองสามวันก็จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกับเขา<ม>อะไรอย่างเงี้ยอให้รู้ทันว่าเรากังวลแล้วแต่ล ะ, ค, ะคนมีกรรมเป็นของตัวเองช่วยไม่ได้ค่ะอะคุณ น, นี้อันนี้ก่อน น, น, นี้คนนี้ก็ยกไว้ก่อนนะเอาคุณไหนๆก็ใต้หมาแล้วอะ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 แล้วก็ใหญ่ถ้าตั้งใจนิดหน่อยก็ก้อนเล็กๆหน่อยอนะครับผมสแสดงว่าทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับทำเหมือนเดิ ม, ม, ม, ดมแต่ก็รู้รู้เล่นเล่นถ้า ค, คุณรู้เล่นเล่นนะไอ้ก้อนนี้จะหายไปครับผมอีกข้อนึ่งขออนุญาตหลวงพ่อแจกซีดีได้ครับเพราะไลฟ์ซีดีแจกชาวบ้านเยอะเลยครับแล้วก็มีฟีดแบคกลับมาด้วยครับอพอแจกแจกไปสองสามวันนะครับโทรมาบอกนะครับว่า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 ชื่อวีเหรอภาวนาดีดูไปเลย น, นะดูสบายๆดูเนียนๆกว่านี้ดูสบายกว่านี้นี่แรงไปแข็งไปเมื่อกี้ไขยกอยู่แถวนี้อะเนี่ยหนูอีกนิดนึงค่ ะ, ะว่า<อ>ไปเห็นเวลาบางทีมันเห็นว่าจิตเนี่ยมันแกล้งเผล อ, อะคะอ่ะเออมันแกล้งเผลอมันไม่เผลอจริงนะอย่างบางทีเราภาวนานะเราเพ่งอยู่ เรารู้นี่เคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าต้องเผลอๆแล้วมันหายเพ่งนะเราก็แก ล, ล้งเผลอ <laughs> มันไม่ยอมไปหรอก <laughs> กิเลสนะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึง่งไม่มีใครหลอกกิเลสได้มีแต่กิเลสหลอกเราอย่าคิดจะหลอกมันเลยอยกแก ล, ล้กลงเผลออะไรเงี้ยไม่มีทางอะ่ะในขณะที่ความเป็นจริงก็คือตอนที่แก ล, ล้งเผลอนะเผลออยู่เรียบร้อยแล้วแต่ยังนึกว่ายังไม่เผลอ <laughs> อค่ะขอบคุณค่ะ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 เป็นคนที่สนุกกับการคิดด้วยบั้งครับมันก็เลยบางทีมันก็จะรู้ตัวช้าใช้เวลานานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำํำนิดนึงเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนานพอสมคที่คุณ<ล>ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วหน้าที่คุณก็คือรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วครับพอดีจะไม่ได้อยู่เมืองไทยนานนะครับทีนี้หลวงพ่อมีข้อแนะนําอะไรนะครับก <ผม S 1> ็อยู่กับปัจจุบันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเลยจริงๆเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราอยู่ปัจจุบัน ขอบมากครั บ, บกรบบมนมัสการพระอาจารย์นะคะพอดีเพิ่งเพิ่งเริ่มมาครั้งแรกอยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าเริ่มปฏิบัติยังไงดีะค่ะเริ่มง่ายเลยถ้าใครเข้าชมเราเราดีใจใจเราพองเคยเห็นไหมใครเข้ามาว่าเรานะใจเราเดือดปุดปวดปวด ป, ดปดวดเราก็รู้นะหน้าตาขี้โมโหนะเะฉนั้นเราดูความโมโหไปเรื่อยๆ <c oughs> นะขนาดนี้ตื่นเต้นใช้ได้ใช่ใชตื่นเต้นใช้ได้เลย ถูกต้องแล้วตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์เฉยเฉยรูย้ว่าเฉยๆฉยดูอะไรไม่รู้เรื่องรู้ว่าดูไม่รู้เรื่องสงสัยรู้ว่าสงสัยเนะี่ยเรียกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปใครมีไหมอ่ะเิ่นกลับไปประคองอีกแล้วค่ะ ห, หลวงพ่อโมโหไหม นิดหน่อยอะค่ะให้รู้น้านิดหน่อยก็รู้ทันค่ะคือช่วงหลังๆเปิ้นจะเห็นเกิดดับอ่ะเสรแล้วเพิ่งมานั่งเมื่อเช้าเนี่ยเพิ้นเห็นว่าจริงๆอะเปิ่ น, น, นบีบบ้ให้มันดับแบบอบี้ให <_ s> ้มันดับค่ะหลวงพ่ออะไรนะอะไรคือเห็นเกิดดับที่มันเกิดเองอะแล้วคือช่วงหลังๆมันเห็นทีนะคะเราก็รู้สึกว่าเพิ่งมาเพิ่งมารู้ตัวเมื่อเช้าตอนนั่งที่เสือเนี่ยค่ะว่าคือจริงๆเนี่ยบางบางครั้ง na, เนี่ยเพิ้นจะไปบี้ให้มันดับเลยอะออดีที่รู้ <both S 2> ทันนะไม่บี้หรอก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 ไม่แก้นะให้คอยกระทบอารมณ์ไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไปเรื่อยนะกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาแล้วคอยรู้ไปเรื่อยๆไปกระทบอารมณ์บ่อยๆถ้ากระทบบ่อยๆมันจะไม่ค่อยไปติดนิ่งมันจะแหว่งแหว่งแล้วเราคอยรู้เอาขออีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ เ, เวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะมันจะมีอาการเหมือนรัดแน่นบริเวณแขนกับขานี่แล้วก็ชอบลืมตาค่ ะ, ะผิดไหมเจ้าค่ะส่งไปแล้วนั่งให้หลวงพ่อดู นั่งเลยนั่งให้ทําเหมือนที่ทำจริงจริงนะลืมหลวงพ่อไปอย่าอย่านึกว่ากําลังทําโชว์อยู่นึกว่าเราอยู่บ้านเราทำจริงจริงอ้าวส่งกันบ้านส่งกันบ้านค่ะหลวงพ่อก็ที่ที่ผ่านมาก็ฟังตรงเนี้เราน้อมจิตลงไปแล้วคุณรู้สึกไหมเราน้อมใจลงไปอย่าน้อมข้าไปอย่างนี้น้อมข้าไปอย่างนี้จะซึมนะคุณรู้สึกตัวไว้นั่งดูไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเราเป็นคนดูอยู่ห่าง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 ลืมตาขึ้นมาลืมตาเออลืมตาแล้วหายใจแรงๆทีนึเออนะให้รู้ตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้ตัวแล้วก็นั่งดูตัวนี้หายใจตรงนี้ไปกดจิตให้แข็งไปแล้วอ่ะพอแล้วไม่ต้องนั่งละถ้านั่งเดี๋ยวจะไปติดซึมนั่งแบบแตะเกียบมันจะติดซึมอ่ะพ่อค้ามือก็เหมือนกับมหาทรู้สึกตัวให้เป็นใหม่อะคะ่ะเออก็ิที่ผ่านมาก็เห็นว่าเออ มันมีกิเลสเยอะก็ช่างมันก็ดูมันไปอะค่ะอันนี้กระถามหลวงพ่อว่าที่ดูมาเนี่ยค่ะคุณรู้สึกไหมมันมีตัวเราโผล่ขึ้นมาดูออกไหมมันมีความคิดไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดกับคุณอะไรนั้นดูออกหรือยังมันมีเราโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเรายังไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาบันนั้นมันจะไม่โผล่ควรจะดีใจนะที่เห็นนะไม่งั้นจะถูกมันหลอกเราจะรู้สึกไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงเราไม่ทันดู ในขณะที่มีสติเนี่ยนะสักยัตทิฐิคือความเป็นตัวเราเนี้จะไม่มีงั้นสติของคุณเนี้มันถี่ยิบไปหมดแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีตัวเราแต่พอเผลอเมื่อไหร่นะด้วยความเคยชินนะมันจะสร้างอิมเมจแห่งความเป็นตัวเราขึ้นมาอีกเมื่อกี้เห็นแล้วยังใช้ได้ละดีแล้วเออหลวงพ่อโล่งใจนะหลวงพ่อเวียนอยู่กับคุณนี่มาตั้งนานแล้วนะรอให้คุณเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้คุณเห็นนะถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะหายข้องใจมัน แล้วก็ดูไปเรื่อยนะแล้ววันที่ได้โสดาจริงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกละจะไม่มีอิมเมจตะกี้นี้ขึ้นมาอ้าว่าไปเหนื่อยนะเนวันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอหายใจก่อนพอเวลานอกนะรูบาาจารย์แต่ก่อนนะท่านไม่เหนื่อยเท่าหลวงพ่อเพราะคนที่ภาวนาแล้วเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรเงี้ยมีไม่มากนานๆอันจะมีสักคนหนึ่งหลวงพ่อ พยายามสอนให้พวกเรารู้สภาวะ ร, รู้สภาวะนะส่งกันบ้านในเรื่องสภาวะล้วนๆเลยการตรวจการบ้านเรื่องสภาวะนะต้องพิถีพิถันมากต้องว่องไวจังหวะไหนจะเสียบพอหอยไข่ต้องเอาคนนั้นนะจะจี้คนไหนแล้วคนนั้นจะเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันมีจังหวะนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ามานั่งอา้าหลวงพ่อสอนไปให้หนูเข้าใจหนูไม่เข้าใจหรอกสอนสอนคนนั้นทีแล้ววกกลับมาใส่ทีหนึ่งเข้าใจอ ย, อย่างนี้ได้นะ เพราะงั้นมันใช้แรงเยอะมากเลยเหมือนเรากำลังรำกระบี่สู้กับคนสองรอคนเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวน้ยังมีเวลาใจเย็นๆแต่คนอื่นถ้าไม่ทันก็ถือว่าเป็นกรรมนะเอาซีดีไปฟังอ่ะสู้ตายอ่ะมาไปเริงใจหลวงพ่อเราไม่ค่อยกล้าถาม เอ้าว่าไปว่าไปก็จะจะกราบถามหลวงพ่อว่าที่ผ่านมาพยายามก็คือรู้สึกตัวเล่นๆนะคะคพยายามจะรู้สึกตัวให้เป็นนะคะคุณรู้สึกไหมจิตใจคุณสบายปัตจุบันค่ะสงมันโล่งมันเบามากขึ้นอพอรู้ตัวเล่นๆแล้วก็ไม่สนใจว่ามันจะดีมันจะเลวมันเลวก็ดูมันอย่างเงี้ยค่ะน่านมันต้องอย่างนั้นหรือจเรียกว่าภาวนาเป็นก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ค่ะเลวรู้ว่าเลวค่ะดีรู้ว่าดีเลวบ่อยแล้วก็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 ม, มันทำอะไรมันหนักอะค่ะนนคนนี้นะก่นอนจะพูดกับหลวงพ่อนะมีการฮึดสู้ด้วยหน้าเอ็นดูดีหลวงพ่อจะบอกว่าเป็นคนคิดมากยางนานก็แบบปล่อยตั้ง ใ, ใจใหม่ทุกวั น, น, นอ้อาชัดขอคำแนะนำแล้ให <c oughs> ้นี่ที่เกียรติส่งกันบ้านมักง่าย <c oughs> อา้าวภาวนาเป็นไง ก็ยังอัดๆอยู่ครับเออว่าไปอย่างนั้นสิน่ารักหน่อยดูไปอัดๆก็รู้ไปนะขาดีขึ้นแล้วเนื้อดีละอ้าวจิรัตจะส่งกันบ้านแล้วเชิญก็เออมันมีบางสภาวะค่ะหลวงพ่อเคยเห็นอาการเจ็บ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 ฝึกแยกนะมันจะแยกขันห้าไปเรื่อยๆในยานิสวันนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมัน่นอ่อนแอไปนิดหน่อยอเชิญจิรัส ต, ต้องเฉลยเลยเดี๋ยวถูกยึดไว้กลางทางวันนี้จิตเขาให้มาสรนเสริญหลวงพ่อครับ <c oughs> ให้อะไรนะ <c oughs> ให้มาสรนเสริญหลวงพ่อรเราไม่เป็นไรสรนเสริญกันนินทาของคู่ก <c oughs> ันขออนุ ญ, ญาตสรนเสริญท่านหน่อยเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วก็แล้วก็มันบ่นมานานละฮะ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 สบายดูไปพีฬัดนะรู้ไปฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะพ้นไปครับคือยังไม่เคยเจอใครทะนุถนอมติดใจของผมเท่าหลวงพ่อเลยนะครับไปลองค้นคว้าดูดูเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็สอนกันอย่างนี้ครับเมื่อ80ปีที่แล้วเขาก็สอนกันอย่างนี้ครับ เมื่อสองร้อยปีถึงเจ็ดร้อยปีที่แล้วเขาก็าาสอนกันอย่างนี้มผมไป็นคนควา้าดูเป็นพันปีที่แล้วนะครับในตำรายังมีสอนอย่างนี้เลยนะที่ทักไปว่าสวดลูกสิษย์ก็นั่งอยู่นะครับครูบาอาจารย์ก็จะทักไปว่าหยุดเพื่อให้จิตมันออกมามลูกสิทธิ์จะได้มีโอกาสได้เห็นจิตบ้างอืมที่ท่านทักก็เผลอไปเผลอไป<ๆ>ผมนึกว่าท่านคิดกินเองอะไรเงี้ยก็ จริงๆแล้วท่านไม่ได้เจตนาจะเอาจากใครมาแต่มันตรงกันไปเองอ ม, มันตรงน่นเคยมีพระจีนองหนึ่งชื่อท่านวิศวพัฒองค์นี้เก่งมากอายุไม่มากนะเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเราไปบวชเป็นพระจีนแปลคำพีจีนออกมาเยอะเลยท่านวิศวพัฒบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะสอดคล้องกับคำภีร์อะไรนะอวตตังสกะ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 เคยนึกถึงจะขอย่าว น, นะครับผมเคยนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้มันมันวุ่นวายเยอะแยะอะไรแต่เพิ่งเข้าใจว่าท่านเหมือนนักนักเลี้ยงบ่อนสับขาหลอกนะครับใช่ล่อเราออกจากโกนะครับพอท่านจะเตะจะเตะเราก็วิ่งออกไปท่านจะเตะจะเตะแล้วเสียวอยวิ่งออกไปรับพอวิ่งออกมาตั้งเยอะแล้วท่านจะเงื้อเท้าเตะท่านท่านหยุดเฉยเลยอแล้วท่านก็มองเรายิ้มยิ้มนะฮะแล้วท่านก็เลี้ยงไปเตะประตูอื่นต่อเราออกมาตั้งไกลโกแล้ะ หันกับที่โกประตูมันว่างทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรนะภาวนาไปนะล้าจะเห็นไม่มีอะไรหรอกแต่ส่งไปข้างหลัง อ, อันนี้ก็ได้นวนหญิงจะพูดอะไรป่ะนี่ก็เป็นพยานอีกคนหนึ่งเอาว่าไปกรรมนำมัส ก, การค่ะส่งการบ้านทีนี้ของโยมนะคะไม่ทราบว่าขณะที่ส่งการบ้านเนี่ยโยมเพ่งและประคองหรือเปล่าเจ้าคะ ขนาดนี้เหรอขนาดนี้มันเกินจริงนิดหน่อยไป <c oughs> กดเอาไว้นิดเดียวนะที่ฝึกอยู่ระดีแล้วอย่าคิดมากกลัว <c oughs> ตัวกลัวตัวเองติดเพ่งกับติดประคองอะคะ่ะประคองกับเพ่งดูง่ายนะประคองหรือเพ่งเนี่ยอันแรกเกิดจากอยากปฏิบัติก่อนค <c oughs> นะเสร็จแล้วก็ไปจ้องเอาไว้ไปรักษ า, าไว้ผลที่เกิดขึ้นมาใจจะแข็งแข็งแต่มันจะแข็งอยู่นิดนึ่งให้เรารู้ของเราเองถ้าจะปฏิบัติแล้วก็เริ่มด้วยความอยากเนี่ยทําผิดละ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 แล้วบางทีดูไปเรื่อยๆดูไปดูมาก็ปรากฏว่ามันไม่รู้จะดูอะไรอืให้รู้ว่าไม่รู้จะดูอะไรให้รู้ว่ากำลังอยากหาอะไรมาดูเจิาค่ะน่าเชิญโยมกลับบ้านไปหมดเวลาเขาคุยกับพระ